แนะ um นำบทอัลยุมอาบทนี้เป็นบทมดา ah นียามีสิบเอ็ดองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการส่งศาสนาทูตคนสุดท้ายมาคือมูฮัมหมัดบุตรอั omic, บดุลลอฮ์อลลัลลอฮุอะัลัยวะสัลลัมแล้วว่าท่านเป็นความเมตตาที่ถูกประทานลงมาให้มนุษยชาติอัลลอ์ทรงปลดเปลื้องชาวอาหรับให้พ้นจากความมืดแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางทรงให้เกียรติแก่มนุษยชาติเพราะท่านสารของท่าน เป็นเสมือนโอสถขนาดพิเศษที่จะเยียวยารักษาโรคต่างๆของสังคมมนุษย์หลังจากที่สังคมนั้นระเหยเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางความมืดบทได้กล่าวถึงชาวยิวและการที่พวกเขาละทิ้งบทบัญญัติของอัลลอฮ์บทได้ยกอุทาหรณ์ว่าพวกเขาเปรียบเสมือนลาที่แบกหนังสือจํานวนมากที่มีประโยชน์บนหลังของมันแต่มันไม่ได้อะไรเลยจากการแบกหนังสือนั้นนอกจากความเหนื่อยยาก และนั่นคือบ้านปลายของความทุกข์ยากและความน่าสังเวชบทได้กล่าวถึงบทบัญญัติการละหมาดยุมะโดยเรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธาให้รีบเร่งไปสู่การละหมาดและห้ามไม่ให้พวกเขาทําการค้าขายเมื่อมีการอาจารเรียกร้องไปสู่การละหมาดบทนี้จบลงด้วยการเตือนไม่ให้พระวงอยู่กับการค้าขายและการลเล่นจนกระทั่งลืมการละหมาด เสมือนกับสภาพของพวกมูนาฟิกีนพวกกลับกรอบซึ่งพวกเขานั้นเมื่อทำละหมาดพวกเขาจะทำแบบเกียดคร้านและอิดเอื้อนด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้องสะดุดีแดอลลอ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรชาญาติ ل ل พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งาศาสนาธุดท่านหนึ่งขึ้นในหมู่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือจากพวกเขาเองเพื่อจะอ่านองค์การต่างๆของพระองค์แก่พวกเขาและทรงทําให้พวกเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องและทรงสอนคัมพีและความรู้แก่พวกเขาและแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาจะอยู่ในการหลงผิด อย่างัดแจละกลุ่มชนอื่นๆในหมู่พวกเขาที่จะติดตามมาภายหลังจากพวกเขาและคงเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ นั่นคือความโปรดปานของอัลลอ์ที่ทรงประทานมันแก่ผู้ที่โปร่งสงประสงและอัลลอ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง อุปมารบรรดาผู้ที่ได้รับคำทีตะรอดและพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่พวกเขาได้รับมอบดังอุปมาลาที่แบกหนังสือจํานวนหนึ่งบนหลังของมันอุปมากลุ่มชนที่ปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮ์มันช่างชั่วช้า จ, จริงๆและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทางนําแก่กลุ่มชนที่อาธรรม อินจรังนุม أن น كم أولياء ลิลล่าฮิมินดูนินราช ف ะเต من นวลมาวุธแฮมนวลมาวุธอินคุนทุม صادق ีนจงกล่าวเถธอร์ทมมัดว่าโอ้ชาวอยือทั้งหลายหาพวกเจ้าอ้างว่าพวกเจ้าเป็นมิดของอัลล่ะอื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วไส่ดังนั้นพวกเจ้าก็จงมุ่งหวังความตายกันเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงแต่ว่าพวกเขาจะไม่มุ่งหวังมันเป็นอันขาดเนื่องด้วยกรรมชั่วที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ก่อนแล้วล้อทรงรู้ดีถึงพวกอาธรรมเหล่านั้น الْمَوْتَ تَفِرْضُونَ مِنْهُ عَالِمِ الْغَيْبِ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงความตายที่พวกเจ้าหนีไปจากวันนั้นมันจะมาพบกับพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร่นลับและสิ่งที่เปิดเผยและพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่เจ้าเคยกระทำไว้ยอ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อได้มีเสียงอาจารร้องเรียกเพื่อละหมาดในวันศุกร์ก็จงเร่งรีบไปสู่การจำลึกถึงอัลลอและจงละทิ้งการค้าขายเสียนั่นเป็นการดีสำหรับพวกเจ้า าพวกเจ้้ารูเมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกย้ายกันไปบนผืนแผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปานของอัลลอและจงน้ำลึกถึงอัลลอให้มากๆเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ และเมื่อพวกเขาได้เห็นการค้าและการลเล่นพวกเขาก็ครูกันไปที่นั่นแล้วปล่อยเจ้าให้ยืนอยู่คนเดียว จงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าสิ่งที่มีอยู่ณนะที่อลัลลอฮ์นั้นดีกว่าการละเล่นและการค้าและอลัลลอฮ์นั้นทรงดียิ่งในหมู่ผู้ประธานปัดใจอย่างชีพ